ถ้าถามว่าศรัทธาอะไรคนได้ฌานเนี่ยศรัทธานั้นศรัทธาอะไรแต่เวลาที่เรา ว่าในอีกอย่างนึงศรัทธาเนี่ยบางเป็นอารมณ์มันไม่ได้เกิดเพราะ ไมกานีของคนที่ได้ฌานเช่นว่าเพ่งกสิณเป็นอารมณ์เพ่งกสิณแล้วนับแล้วไม่ถึงอย่างนั้นแล้วคือเรานึก เวลาที่เราทํากรรมฐานเนี่ยอาจารย์ก็บอกกับสัตว์เอ่อ 5 ต้องต้องอย่าให้หย่อนให้กานให้ 5 นั้นก็มีศรัทธาด้วยอาจารย์หมายความว่าไงหมายก็ว่าศรัทธาของเราต้องมีมีต้องมี อย่างในภาวนาการปฏิบัติเพราะศรัทธาขณะนั้นถ้าศรัทธาไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะมีสูตรจะทํา เลือกคิดถึงผู้ที่เอาแล้วได้นะว่ากําหนดท้องพองท้องยุบกําหนดลมหายใจนะ ศรัทธานี้ไม่ใช่ศรัทธาอย่างในส่วนหยับๆอย่างนั้นเกิดความปองสายเกิดความคือพูดง่าย เป็นตัวบรรลุความสําเร็จได้เป็นศรัทธาอย่างประณีตศรัทธาอย่าง การกระทําอย่างเข้มแข็งด้วยแล้วก็ศรัทธาเช่นความไม่ศรัทธาความไม่ยินดี <c oughs> แล้วก็พ้นจากความขุ่นมัวเค้าหมองเพราะกิเลส อย่างประเสริฐในที่ตั้งคําว่าสมาธิอย่างประเสริฐเนี่ยเกิดขึ้นคนจากวิสัขาคะคือวิตกวิจารณ์นิ่ง ตึงก็เป็นความที่จริงแล้วพูดว่านิ่งน่ะก็เห็นจะเหมาะกว่านะนิ่งแล้วก็ตัวอ่าก็ว่าต่อไปครับใน แต่มันไม่ใช่อย่างเอกมันไม่ใช่อย่างเอกเพราะฉะนั้นการที่มาได้สมาธิใน ไอ้ 2 คำเนี่ยความจริงมีความวิตกะวิจารวุปัสสมามีความ มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่มีปีติและสุขนะส่วน เป็นสมาธิก่อนหน้านี้สมาธิก่อนหน้านี้อีกส่วนหนึ่ง เพราะว่าวัตตมัฌานนั่นเองท่านถือเอาสมาธิก่อนหน้านี้ที่ฝึกมาก่อนเนี่ยครับเป็นบาดเป็นฐานให้ที่ว่าเอกตาเจตสิกในปฐมฌานนั่นเป็นเหตุเบื้องต้นเป็นเหตุ สมาธิระดับต่อมาก็สมาธิคือเอกตาเจติกที่อยู่ในปฐมฌานนั่นเองนี่ ที่ได้ความสําเร็จในฌานที่ 2 นั้นเกิดจากคือฌานก่อนและสมาธิคือเอกตาเจตสิกที่อยู่ในฌานนี้เป็นเหตุทําให้ได้เป็นที่รองรับเป็นที่อาศัยนี่ท่านอธิบายอย่างนี้จึงเป็นอันว่ากล่าวว่าเธอทํากายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเติมอารมณ์สัตว์ๆ อิสระจึงขึ้นเมื่อไอ้ปิติและสุขในเนี่ยสูงกว่าประณีตกว่าถามว่าถ้า 1 ผิดกันตรงไหนคํา มีหรือมีอาการหยาบลนหลานคือถ้าจะเทียบเหมือนกับลานหวั่นไหวหรือมีอาการหยาบด้วยอํานาจกับ ทูติอาการเหมือนประเภทเพลิงฤทธิ์ประเภทอย่างเพลิงสายเดิมเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องเพลิงพิภพระนิด และพละยังเป็นพลนนาปีติอยู่ด้วยกันนะแล้วก็พลนนาปีตินั้นยังมีความละเอียดความยากหลังแต่ว่ามอง ในส่วนในที่ไม่ได้กระแดงออกในทางพฤติกรรมไม่นั้นก็ประณีตนิ่งแนบ กล่าวไว้ในตอนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านไม่ได้พูดแค่ว่าน้ําเต็มค่วงน้ําหรือสระบกกรณีเท่านั้นจะเห็นว่าท่านบอกๆกันนะฮะ เป็นสระปิดสระปิดสีด้านและน้ําที่สุขในขั้นเปเป 3 ฌานที่ 3 โดยสภาพฌานนั้นท่านตรัสว่าภิกษุมีอุเบกขามีเอชัดเจนนะว่าละปิติบรรลุตติยฌานที่ละ แล้วก็อาจจะสงสัยอยู่เป็นพูดเฉพาะแค่ฌานที่ 3 สติทำไมในนี้จึงพูดว่าสติสัมปชัญญะฌานอื่น คนทําจานน่ะถามว่ามีสติมั้ยต่อบ่ เราค่อนข้างจะอยากได้สุขแล้วก็อยากจะได้ปิติแล้วอยากจะให้มีปิติ ตอบว่าสรรเสริญคุณค่าของความสุขในทางในสายโลกิยะลงลงตะละไม่พูดในโลกโลกโลกิยะเนี่ยครับความสุขที่เป็นยอด <c oughs> แล้วถามว่าแล้วฌาน 4 ไม่มีสุขแล้วก็บอกบังเอิญฌาน 4 ไม่มีสุขหมายถึงสุขเวทนาเนี่ยนะท่านให้คุณค่าของสุข อยู่เป็นสุขคือความสุขนี้เป็นความสุขที่มี ไม่ไปยินดีในวิตกและวิจารณ์ปีติไม่ไปวิตกวิจารณ์ที่เป็นในฌานก่อนหน้านี้งั้นภาวะเป็น ตัวนี้น่ะเป็นตัวรักษาอุเบกขาสติเป็นตัวรักษาอุเบกขาเอาไว้ได้แล้ว แม้ว่าจะไม่พูดถึงในระดับฌานเนี่ยนะ ไม่ถูกความสุขนั้นย้อนกลับมา เป็นกรรมยกย่องแล้วก็เป็นผู้ที่ประกอบด้วยฉลังกุเบกขาเป็นกรรมยกย่องบลาอาลานจึงเราก็ไม่ใช่อาลานแต่ว่า ในโลกียวิสัยทั้งกามวิสัยและกิจานวิสัยจริงๆ 100% นะครับก็คือความสุข ที่ยกย่องมาในฌานที่ 3 สมาธิก็มาอยู่ในฐานะเป็นซึ่งฌานแต่ละฌานๆ อันนี้ก็เราไม่สามารถที่จะพูดให้ก็สังเกตยังไงโดยการเปรียบเทียบนะนี่คือคู่บรรลุปาติยาฌานอย่างนี้ทีนี้ภิกษุที่ แล้วก็สัมมชัญญะซึ่งเป็นเรื่องก็อนุโลมไปด้วยกันนี่เอ่อตรงนี้น่ะเนี่ยมัน ใน negative เรานะแต่ในชั้นสูงแล้วคิดว่าปีติในระดับนี้นั้นเป็นตัวข่วงความ พอได้ฌานแล้วก็ถือว่าบรรลุความสําเร็จแล้วพอจะขยับฌานมันเป็นตัวสูงความเจริญของสติถ้ายังอาวิตกวิจารณ์อยู่ไม่ นี่ก็เหลือสุขที่ทีแรกเนี่ยมันเป็นเป้าหมายร่วมสุขกับปีติในฌาน สุขนั้นจึงจะนิ่งแน่นั้นจึงจะนิ่งแน่นี่ทีเห็นว่ามันจะให้มันมีลักษณะทั้งนิ่งด้วยทั้งสุขด้วยอ่าเวลาเรา ในความหมายทางการปฏิบัติแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วสุกนั้นต้องนิ่งอยู่ในตัวมันเองด้วยแล้ว ทั้งทั้งในส่วนคุณธรรมกันเองส่วนกิเลสทั้งในส่วนคุณธรรมกันเองนะมันก็ทําลายในชั้นนี้ท่านเห็นท่านจึงละเสีย เราพักกัน